มุ่งไปทางด้านอัตถธรรมเป็นส่วนมากยิ่งกว่าที่จะคิดในแง่ใดให้เสียวเวลาและสร้างความกังวลวุ่นวายให้แก่ตนเปล่าๆทางที่ท่านสอนว่ากายวิเวกความสั่งักทางกายปราศจากทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรส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 ส่งเสริมหรือปลุกให้กิเลสที่สงบตัวอยู่ภายในนั้นฟุ้งตัวขึ้นมาเพราะกิเลสอยู่ภายในใจที่ไม่มีอะไรเข้าไปส่งเสริมนั้นก็เช่นเดียวกับไฟที่อยู่ในอยู่กับฐานไฟไม่มีเชื้อไฟเข้าไปเป็นเครื่องส่งเสริมไฟก็ไม่แสดงเปลวออกมา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 ใจของเราก็เหมือนกันถานถานไฟก็เหมือนกับใจไฟเองก็คือฐานถานไฟเหมือนกับใจไฟนั้นก็เหมือนกับวิเลยนั้นเหมือนกับไฟที่อยู่กับฐ่านนั้นแดงโลดอยู่อย่างนั้นแต่มันแสดงเปลวมากก็ไม่รุ่มร้อนมาก เมื่อไม่มีอะไรมาส่งเสริมคือจิตกันภายนอกได้กเชื้อไฟคือรูปเสียงกลิ่นรสสีแสงต่างๆที่จะเป็ น, นเครื่องส่งเสริมให้ขิดเล็ดภายในฟุ้งตัวขึ้นมาใจก็สงบแล้วให้ใจจากนอกจากความสงบสงบภายในกายนั้นแล้วยังสอนจิตตวิเวก สังฆสังัตทางกิตคือกิตก็ให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายสายแสหาอารมณ์ต่างๆที่เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาตัวเองเพื่ออุปทิวเวกคือความสังัดจากกิเลสโดยประการทั้งปวงทาสามประเภทนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันการอยู่ในป่าก็เพื่อกาย ได้รับความจังหัดไม่กระทบกระเทือนสิ่งต่างๆที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์นเพื่อดวงล่วงไหลเข้าไปสู่ใจให้รับการกำเริบเนะี่ยจิตก็ทำหน้าที่กิตะภาวนาระมัดระวังอารมณ์ที่เคยเป็นภัยไม่ให้เข้ามายุ่งไม่ให้จิตไปทำงานในประเภทนั้นแต่มีงานทางด้านธรรมะ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 มีความสงบที่เรียกว่าอิตาวิเวกคือความสงัดใจใจที่สงบสงัดได้ก็เพราะไม่มีสิ่งก่อกวนนั่นเองที่ไม่มีสิ่งก่อกวนก็เพราะการนอมัดระวังหาอยู่ในที่เหมาะสมเช่นกาอยู่เวกการอยู่ในป่าผู้ไม่เคยอยู่ในป่าก็ไม่เห็นคุณค่าของป่า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 ผู้มุ่งอัดมุ่งธทรรมย่อมีความรื่นเริงบันเทิงในทัศนียภาพที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านั้นเมื่อน้อมเข้ามาสู่ใจใจก็ไม่ได้สายแสเร่ร่อนไปหาสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟซึ่งเคยเผาตัวมาแล้วแต่มีเรื่องธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องรื่นเรืองของใจผู้บำเพ็ญอยู่ในป่า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 การอยู่ในป่าเป็นนิสัยจิตใจย่อมได้ฝึกอบรมตนเป็นนิสัยเช่นเดียวกันการฝึกอบรมและการอยู่จนเป็นนิสัยในสถานที่เป็นมงคลเช่นนั้นย่อมจะยังอาจทำให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนเพราะธรรมกไม่เกิดในสถานที่ที่เป็นอันตรายเมื่อจิตใจหรือสติปัญญายัางไม่สามารถที่จะปรับ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 ได้แก่ปฏิปทาเครื่องดำเนินแล้วย่อมจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในวิสัยของตนได้เป็นลำดับไปยกตัวอย่างเช่นสมาธิคือความสงบใจอา้าวเราเห็นแค่นี้ก่อนนะยังไม่เห็นกว้างขวางออกไปกว่าตามความสงบใจนี้ตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเพราะ ไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องสองทางมีแต่โลกมีแต่กิเลสมีแต่สิ่นนันน า, น า, นาทําให้ปัญญาและสติยาบที่สุดมืดดํำตื้ออยู่ภายใน จ, ใจิตใจแล้วเราจะมองมองเห็นอะไรนอกจากมองเห็นแต่ความมืดดํากําตาซึ่งหาเหตุผลใดๆไม่ได้นอกจากเป็นภัยแก่ตนโดยลําดับลําดาอยู่เท่านั้นแต่เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิก จ, จิตใจเช่น ภาวนาจิตภาวนาในขั้นเริ่มแรกท่านผู้ใดมีจดิตนิสัยชอบในธรรมบทใดก็นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมภาวนาให้จิตเกาะจิตยึดอยู่ในบริธรรมบริกรรมนั้นก็เท่ากับเป็นการบุกเบิกจิตใจให้ได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นในนิสัยแห่งการภาวนาขั้นนี้มีความสงบใจเป็นสําคัญนี่ใจนี้เมื่อได้รับ การอบรมนั่นแหละคือทําบุกเบิกให้ย่อมจะปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาทาั้งๆที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยคาแต่เราพยายามดําเนินตามแนวทางที่ท่านแนะไว้สอนไว้ด้วยอัดด้วยทำใจย่อมจะมีความสงบเย็นเมื่อสงบแล้วย่อมเย็นใจนี่เพียงขั้นเริ่มแรกก็เห็นความแปลกประหลาดด้วยการบุกเบิกของธรรมแล้ว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 คาว่าเห็นรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไปก่อนนั้นเพราะทมที่เลิศเลยยิ่งกว่านี้ยังมีจิตประเภทที่เลิศเลยยิ่งกว่านี้เพราะเห็นอัดเห็นทรรมที่เลิศเลยกว่านี้ยังมีอยู่มากมายจึงต้องพูดว่าเพียงขั้นนี้แค่นี้ไปก่อนนะเพราะขั้นนี้เป็นขั้นเริ่มแรกใจยอมสงบนี่เพราะมีทรรมบุกเบิกกรุณาพากันจําไว้ อันนี้เมื่อทาลงไปเรื่อยๆใจย่อมละเอียดลงไปละเอียดลงไปเมื่อใจละเอียดลงไปใจมีความอื่นตัวไปโดยลำดับพอใจในอารมณ์แห่งธรรมที่อยู่กับตัวอยู่แล้วพิจารณาไตรตรองในธรรมแง่ใดที่จะบุกเบิกทางด้านปัญญาให้มีความละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าขั้นสมาธิคือควา ม, วามสงบเพียงความสงบเท่านั้น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 ผู้ใดของโลกใดทั้งนั้นเมื่อทําได้บุกเบิกให้ จ, ใจิตใจได้รู้ได้เห็นแล้วใจย่อมสามารถจะรู้จะเห็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีโลกไหนคนใดรายใดที่สามารถได้รู้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและนํามาประกาศสอนโลกด้วยความจริงในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านั้น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 หากเป็นความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายใน จ, จิตใจเพราะความเหมาะสมกับปฏิบาาัติธเครื่องดำเนินบุกเบิกนั้นพาให้เป็นไปเนี่ยทำจึงไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะคาดคะเนจะด้นเดาจากวินิจฉัยใค่ควรอย่างไรภาคแห่งในในธรรมภาคความจริงนี้ที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยใจของตัวเองนี้ไม่มีใครคาดได้วินิจฉัยได้ทั้งนั้น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 แต่เมื่อพระองค์ได้ทรงบาเพ็ญหนักเข้าหนักเข้าจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนี้พระองค์สงสัยที่ไหนเพียงเจอเข้าเท่านั้นก่อนนาก็พระจักพระไถ่และนําทำเหล่านั้นมาสอนโลกได้อย่างได้เต็มตามความเป็นจริงไม่สะทกสะท้านทั้งๆ ท, งที่ใครไม่เคยรู้เ็เห็นก็ตามพระองค์ซึ่งไม่เคยรู้เ็เห็นมาก่อนก็ตาม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 จิตใจที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมเป็นเครื่องบูเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องมีฉายก็ย่อมจกักตะเกียกตะกาอยู่กับฟืนกับไปคือกิเลสตัณหาเหล่านี้แล้วทะเลทะลายถูกมันขับมันใสลงไปตกนรกโดยไม่ต้องสงสัยเพราะสิ่งเหล่านี้นี่สตว์โลกทั้งหลายเคยเป็นมามากเท่าไหร่ไม่มีรายใดที่จะปฏิเสธได้เลยว่าไม่เคยได้ถูกทรมาน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 ลบล้างตรงนี้แล้วผลก็จะไม่เกิดแล้วก็จะไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์หรือถูกความทรมานในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีเท่านั้นแต่ อ, อื่นๆที่เราจะเํานำมาปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้มีแล้วเราทําตามความชอบใจของเราความชอบใจของเรานั่นแหละคือสิ่งหลอกลวงที่แล้มคมที่สุดสัตว์โลกหลายจมอยู่เพราะสิ่งหลอกลวงที่แหลมคมนี้เท่านั้น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 ทั้งสาเหตุที่จะให้ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกให้ได้รู้เรื่องรูนราวเพราะศาสตร์โลกที่สามารถจะรู้เรื่องรู้ราวในธรรมทั้งหลายที่ท่านประกาศสอนอยู่นี้มีอยู่มากมายไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ศาสดาดุนเดาจะไม่นำธรรมที่เป็นอัถานะคือเป็นไปไม่ได้แก่ศาสตว์โลกทั้งหลายมาสอนโลกให้เสียเวลาให้ลำบากเปล่าๆเลย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 แล้วก็บำเพ็ญจิตตาภาวนาเพื่อยิตต ว, วิเวกจิตก็เป็นจิตที่สงบเมื่อสงบแล้วนำพิจารณาอัรทมด้วยปัญญาก็าย่มสอดสองทอ ง, ทองแทงทะลุไปได้เพราะไม่มีอุปสรรคจิตใจก็อิ่มตัวด้วยความสงบมีอารมณ์คือความสงบนั้นเป็นอาหารของใจพิจารณาแยบคายเข้าไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็ค่อยรู้ก็เห็นขึ้นไปดยลาดับธรรมา จะพออย่างยิ่งที่ติดแนบอยู่กับตัวของเรานี่ก็คือกองอันนี้จังทุก ข, ขังนาตาที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้แหละเป็นสําคัญมากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นก็ถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แหละเราพิจารณาดูสิความเห็นของเรากับความเห็นของพระพุทธเจ้าในร่างกายที่เท่านั้นแหละต่างกันไหมพระพุทธเจ้าเห็นมาร่างกายนี่ท่านสอนอะไรเจสารูมานาคารันตาตะโจเบื้องต้นสอนเพื่ออะไร ในเรื่องความมุ่งหมายมุ่งหมายอย่างไงคือสอนลงตามความจริงของมันที่มีอยู่เป็นอยู่ของอาการเหล่านี้มีตะจะหักบรรยากากรรมฐานห้านี้เป็นต้นว่าที่อยู่ที่เกิดข้องละของมันเป็นยังไงวิเศษวิโสไหมมีความสะอาดสะอานไม่มีความสดสวยงงามไหมมีความพรังถาวรไหม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 คือพูที่เจ้าพระธรรมประสงค์ใหม่ท่านว่าอย่างนี้มันกลับว่าอย่างนั้นท่านว่าอันนี้ไม่สวยไม่งามมันบอกว่าสวยงามมันคืนมันฝืนกันอยู่ภายในในหลักธรรมชาติไม่ใช่เรามีเจตนาที่จะฝืนนะกิเลสต่างหากตัวฝืนธรรมเป็นมาของธรรมมันฝืนว่าอันนี้จังมันก็ไม่บอกว่าอันนี้จังซะเที่ยงไม่เที่ยงสวยไม่งามก็ตามขอให้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นเราเป็นที่พอใจแล้วนั่นทั้งที่มันคืนเอาหมดเลยมันไม่ต้องวินิจฉัยค่ควรอะไรตามเหตุตามผลนบะ เรื่องของกิเลตเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงทําคนให้ผิดพลาคเสมอไม่มีคําว่าดีถ้าลงได้ทําตามอารมณ์ของกิเลสนล้จะผิดไปทั้งนั้นแต่ถ้าทําตามอารมณ์ของธรรมแล้วจะค่อยถูกไปถูกไปจนเป็นนิสัยไขยวรวนพินิษพิจารณาสุดท้ายก็เข้าใจได้ตามหลักศัสตาดาที่ทรงสอนไว้ว่าเกสาเปียงไงไม่ต้องวินิจฉัยก็ได้เพราะวินิจฉัยมาพอแล้วสมบุกสมบันเอาจนถึงเป็นถึงตายเพราะการพิจารณากรรมฐานตั้งหันในภาคปฏิบัติ เจาสาโรมานากขาตันตาตะโจจงกระทั่งถึงอาการ3ามีสองพี่นาใกล้ควรดูหมดทุกแง่ทุกมุมว่าอะไรมันเป็นเรามันเป็นของเราความจริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจอมปลอมออกมาจากดินแท้ๆจากน้ําแท้ๆจากลมจากไฟแท้มันยังมาเสกสรรเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสักรเป็นมกุลได้ต่อหน้าต่อตาทั้งๆที่อันนี้เขาไม่ได้รับทราบอะไรจากความเสกสรรปัญนยอของจิตใจดวงที่ขี้เด็กตัวหลอกลวงนั้นค่อมห่ออยู่นั้นเลย มันนั่งฝืนทําได้นี่แหละความรู้ประเภทนี่นี่กับความรู้ประเภทของกับ ข, ของพระพุทธเจ้ามันต่างกันอย่างไรนี่แหละทีนี้เมื่อดนําธรรมะของพระพุทเจ้ามาซักมาฟอกมาพินิจพิจารณาตลอดทบ ท, บ ท, บทบทวนหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแจ่มออกมาแจ่มออกมาคําว่าอันนี้จังก็ดีทุกขังก็ดีอัตตาก็ดีก็ค่อยแย้มความจริงออกมาความจริงออกมาเพราะทําเป็นของจริงสอนให้เพื่อรู้ความจริง คำว่าอสุภะอสุพังก็พิจารณานอกจากนั้นท่านยังสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าด้วยให้ไปดูป่าชา้าถ้าดูป่ า, ปาช้าผีดิบผีเป็นอยู่คือเราเนี่ยภายในร่างกายของเรามันมีแต่ป่าช้าแต่หมดยังไม่เห็นเอาให้ไปดูป่าช้าที่ตายคนตายเก่าตายใหม่เกลื่อนอยู่ในป่าช้านั้นเพราะขั้นพุทธการ เ, าเขาไม่มีเผามีฝังกันใครตายก็ไปทิ้งเกลื่อนเหมือนขอนสูงนั่นแหละแล้วไปดู เมื่อดูแล้วก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองเรียกว่าโอปัญญิโกจนเป็นที่เข้าใจนั่นเห็นใหม่เนี่ยสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนมันไม่เข้าใจเมื่อพิจารณาตามหลักความจริงหลายารครั้งและยผลก็ค่อยเข้าใจเข้าไปเข้าใจเข้าไปแล้วกายของเหล่านี่เลยกลายเป็นอสุภาทั้งกองเห็นเกิดความขยะแขยงเกิดความยิ้หนาละอาใจแล้วจิตใจค่อยๆเพิกถอนเพิกถอนขึ้นมาจากความสําคัญผิดยึดมั่นถือมั่นอันนั้นถอนขึ้นมาเป็นตัวของตัว โดยลําดับลําดานและพิจารณาย้ําเข้าไปย้ําเข้าไปยิ่งแจ่มแจ้งชัดเจนเข้าไปยิ่งปล่อยได้นั่นเห็นไหมนี่แหละปล่อยได้ด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยบงด้วยการบังคับเฉยเฉยปล่อยเท่าไรก็ปล่อยเฉยด้วยการบังคับเฉยมันเป็นไปไม่ได้นอกจากเอาคําจริงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปหลายข้างหลายหงก็ค่อยหลายขนก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาสุดท้ายก็ทะลุ ป, ปูโผง่ไปได้รูปงรังนี่จังรูปปังอนัตตาไม่ต้องบอกที่นี่ ชัดเจนแล้วโดยภาณังจิตใจถอดถอนแล้วซึ่งอุปทานในรูปแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารมียางถอดถอนไปโดยลํำดับลาดาเพราะการพิณิพิจนาเห็นแจ้งตามความจริงของมันตามโดยลําดับลําดาจนกระทั่งเห็นแจ้งกระจัดภาณังจิตใจแล้วใครจะไปทนถือดินถือน้ําถือลมถือไฟนี่ว่าเป็นเราใครจะไปทนถืออบาชพาผีดิบเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้ว่าเป็นเราเป็นของเรา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 บีถูกบีบ บ, บังคับหรือว่าบาังคับให้ถอนแต่ถอนออกมาด้วยความรู้แจ้งห็นจริงและสลัดเช่นเดียวกับเราจับงูทั้งตัวนั่นเราไม่ทราบว่าเป็นงูแต่พอทราบแล้วท่นั้นก็ฉลาดเองทันทีใครจะไปกล้าหานจับงูทั้งตัวอยู่ได้เมื่อทราบแล้วนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอสร่าพิษความยึดมั่นถือมั่นเป็นปืนเป็นไฟเป็นภัยแต่ตัวเรามากมาขนาดไหนมีพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บุกให้เบิก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 ทุกขังก็ซึ้งถึงใจจริงๆอนัตตาก็ซึ้งถึงใจจริงแล้วอะไรที่จะไปถึงใจยิ่งกว่าทำถึงใจล่ะอีะิเลศมันถึงใจถึงมานานแล้วมันให้ความวิเศษพิโสอะไรบ้างกับเราผู้ที่ขี้เลศถึงใจแต่เมื่อทำถึงใจแล้วไม่ต้องพูดก็ได้คำว่าอัศาจรรย์คำว่าประเสริฐเลิศเลยแต่ท่านไม่มีความอยากไม่อยากโอ้อวดเป็นขนาดไหนท่านก็รู้ตามเป็นจริง ในความจริงทั้งหลายนั้นแล้วอยู่อยู่อยู่ด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสงบด้วยความเสศสรรต์ไม่หิวไม่หโหอยท่านจึงแนะนําธรรมชาติที่ประเสริฐนี้ออกมาสอนโลก <Yeah. S 1> ตามความเป็นจริงไม่ได้สอนด้วยความกระวนกวายไม่ได้ความสอนด้วยความอยากความเพลยเสียานไม่ได้สอนด้วยความตื่นเต้นทำทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนโลกโลกเขาตื่นกันนั่นนั่นล่ะท่านผู้รู้ท่านรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแต่นี้กระจายออกไปถึง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 เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสารโลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆไม่มีคำว่าโลกามิจฉินจ้างรังบันเข้าไปเกี่ยวข้องแม้นิดหนึ่งเลยนี่แหละพระพุทธเจา้ส า, า, สาสอนโลกศาสนาสอนโลกท่านสอนอย่างนี้สงเคราะห์โลกท่านสงเคราะห์อย่างนี้ถ้าไม่มีสิ่งอะไรตอบแทนเหมือนโลกทั้งหลายที่ปฏิบัติต่อกันนั้นเลยจึงเรียกว่าศาสนาะจึงเรียกว่าธรรมจึงเลิศกว่าโลกทั้งหลายเลิศอย่างนี้โลกทั้งหลายทำไม่ได้อันนี้ทำได้เป็นได้ใน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 บางครับจิตใจนี่ไม่รู้เห็นได้เลยมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังเอาไว้ใจจริงมีปัญหาอันใหญ่ร่มหลงมงมงายที่สุดก็คือใจในเมื่อสิ่งปิดบงังเหมือนอย่างตาเราเนี่ยจะ ต, ตาดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหลับปั๊บเข้าไปเเช่นนั้นมันก็ไม่เห็นเห็นอะไรก็ถูกปิดไว้นี่ใจจะสว่างกระจ่างแช้งอยู่ภายในตัวขนาดไหนก็ตามเมื่อกิเลสปิดเข้าไปเท่านั้นมันก็อยู่ไม่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่มากนอก้อยเพียงไรก็ไม่เห็นนี่แหละเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> แต่ที่มีเวลาบุกเบิกไปบุกเบิกไปดังที่กล่าวนี้ด้วยการอยู่สะดวกสบายสถานที่เหมาะสมกับการบําเพ็ญแล้วทำท่านหลายยอ่อมเกิดขึ้นได้เพราะการบําเพ็ญด้วยความสะดวกนั้นโดยสม่สมําเสมอจนกระทั่งสว่างกระจ่างแจง้งอยู่ได้อย่างสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหมดนั่นท่านว่าบามาเหล่านี้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 เต็มตามความมุ่งหมายแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่สะดวกสบายเหมาะสมกับธรรมกับภัญญาสัยของท่านที่สิ้นกิเลสแล้วอยู่ไปตลอดวันนิพพานท่านมาเกินกลุ่มวุ่นวายกับโลกกับสุนทรภรั้นการอยู่ท่านจึงสอนให้อย่างละเอียดละอ่อทีเดียวยเฉพาะอย่างยิ่งในป่าในเขานี่สอนเป็นลําดับลําดา อันนี้เป็นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสหรือเพื่อสังหารกิเลสภาใน จ, ใจิตใจให้สิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติในสถานที่เหมาะสมดังที่กล่าวมาการยีเร็กิ้งเป็นของสำคัญเราเองก็เถอะถ้าลงได้เข้าไปสู่กายยีเรยกในสถานที่เหมาะสมดังที่ว่า น, นี้แล้วจะระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกท่านทันทีทันใดเลย เพราะเป็นเครื่องปุูการะสาทจิตใจของเราที่เคยหมอบเคยนอนจมอยู่ในกิเลสความนอนใจนั้นนั้นก็ตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมารู้สึกความคิดอ่านใจตรองนิสติสตังก็มีขึ้นมาในเวลานั้นในอิรยาบด์นั้นๆเพราะสถานที่เปียวเปียวเป็นสําคัญนี่นี่ผู้ปฏิบัติได้อยู่ในในปฏิบัติ ด, ดังที่กล่าวมานี้ จะพูดได้เต็มปากทีเดียวไม่กระลากอายเลยเพราะเป็นผลอย่างยิ่งประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติมาอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมาแล้วด้วยกันแม้พระองค์เองก็ทรงบำเพ็ญและรู้เห็นในธรรมทั้งหลายด้วยสถานที่เชนั้นมาแล้วจึงได้นำมาประกาศทมสอนโลกเพื่อเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้ได้ก้าวไปด้วยความราบรื่นดีงามเพราะสถานที่ เช่นนั้นเป็นที่อำหนูเพียงเราก้าวเข้าไปสู่ป่าสู่เขาลําเนาไผ่เท่านั้นจิตใจจะรู้สึกคึกคักขึ้นมาแล้วนะแล้วยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลินความเพลิดเพลินในป่าในเขาของผู้อมเพลินรมนั้นต่างกันกับความเพลิดเพลินของกิเลสเป็นไหนๆไม่ได้เหมือนกันเลย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 การกรบการฉันก็เหมือนกันไม่จะถือสิ่งอันนี้เป็นอารมณ์พอที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญเลยเรียกว่ากินน้อยนอนน้อยหากเป็นในหลักธรรมชาติของผู้บาเพ็ญด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมไปเองแลวจิตใจมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขและสุดท้ายความรู้ทั้งหลายที่มันครอบโลกธาตุ สร้างความมุ่นวายให้เราเพราะความรู้ของเราเองแต่เที่ยวเกี่ยวเกาะในสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นอยู่มีอยู่ตามแบบธรรมชาติของเขานั้นก็รวมตัวเข้ามาสู่ใจดวงเดียวรู้อยู่ภายในจิตใจอันเดียวนี้เท่านั้น่นปหนึ่งว่าโลกทั้งหลายไม่มีสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาเคยนําเรื่องเหล่านั้นมายุ่งกวนตัวเองก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้น มีแต่ความรู้เด่นถ้าเป็นสมาธิก็เด่นอยู่ในหัวอกเอาหุดเต็มเต็มหัวใจนี้เถอะเพราะความรู้ในสมาธิความรู้ในธรรมจริงๆความสงบใจจริงๆไม่ได้อยู่บนสมองดังที่โลกเขาทำกันการตรวจการจาคิดอ่านแต่ตอนของโลกต้องใช้สมองเป็นที่ทำงานแต่เรื่องของธรรมนั้นอยู่ที่กงกลางอกนี้เป็นที่ทำงานเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนความวุ่นวายนั้น่ะ มันไม่ได้สร้างความเด่นความอจุดที่หมายที่ถูกต้องงดงามให้เราได้ยึดได้เกาะ อ, อะไรเลยล่ะแต่ความสงบนั่นสิพอจิตสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปแล้วจะปรากฏที่โกรงกลางอกของเราเนี่ยนยิ่งจิตมีความเป็นสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแล้วยิ่งเห็นได้ชัดอยู่ภายใจิตใจภายในทํากลางอันนี้ไม่ขึ้นบนสมองเลย สงบละเอียดขนาดไหนก็าตามเอาพูดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันหมุนติ้วอยู่ภายในทํากลาง อ, อกนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยหมุนกันอยู่ตรงนี้หมุนอยู่ตรงนี้สว่างกันอยู่ตรงนี้แล้วเวลากําหนดบนสมองอย่างนี้ก็เหมือนเราขึ้นนะถ้าเราจะถ้าพูดว่าเนี่ยก็เหมือนขึ้นเหมือนลงลงไปทั้งล่างก็กําหนดลงไปกําหนดขึ้นบนขึ้นบนพราะจิตอยู่ในทํากลางนี่มันจึงได้กาหนดขึ้นกําหนดลง นี่เป็นหลักธรรมชาติของใจที่สงบและเป็นสถานที่อยู่ของความรู้จริงๆความรู้ที่เคยกระจายไปโทษดินแดนโลกทาตุนั้นและสร้างความวุ่นวายความทุกข์ให้แก่ตัวเองนั้นรวมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวคือรู้อยู่อย่างเด่นชัดภายในใจมีนานสบายอยู่ไหนอยู่เย็นไปหมดนั่งอยู่หินก้อนไหนก็มีแต่เรื่องอัดเรื่องทำเดินไปใน อยู่ในลมไม้ลมไหนก็มีแต่อรตธรรมกลางคืนกลางวันนั่งอยู่ตรงไหนผาสุกเย็นไปหมดนั่นคือจิตรวมเข้ามาสู่ตัวเองก็เห็นความสําคัญของตัวเองขึ้นเห็นสาระสําคัญขึ้นที่พาขึ้นที่พาในใจของเราเองทิ้งทั้งหลายแล้วนั่นก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาไม่กังวนเพียงแต่อาศัยเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่เท่านั้นนั่นนี่เป็นหลัก คามเป็นจริงของผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นอย่างนั้นเย็นสบายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่คิดไม่ยุ่งกับอะไรและสิ่งที่จะมาก่อกวนยุ่ยย่ยแย่ก่อกวนก็ไม่มีมีตรักธรรมชาติถ้าเป็นสัตว์หรือก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่จะมาสร้างความข้องบนวุ่นวายสร้างกิเลสปัญหาให้ใจของเรา ด, ดีไม่ดีก็เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจตตายล้วกันกลายเป็นธรรมะหนึ่งขึ้นมาในเวลาได้พบได้เห็นได้ยินเสียงของเขาเพราะสัตว์ป่านี้มีมากเราพูดแต่ครั้งก่อนๆ อ, อย่างอย่างในปัจจุบันนี้เหมือนกันสมัยที่ครูบาอาจารย์และเราเองบำเพ็ญเราก็ได้ประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างนั้นภายในจิตใจอยู่กับสัตว์ทั้งหลายนี้รู้สึกว่ามันลื่นเริงบันเทิง อย่างร้องก็โก้เก๊ะยิ่นนกยูงด้วยแล้วเต็มไปหมดไม่ว่าเขาลูกไหนเวลาเราอยู่ยเงียบเงียบอย่งั้นเหมือนไม่มีพอกตกกลางคืนมานกยุงมันร้องนี่เหมือนกับไก่มันขันยามมันนหละพอตัวหนึ่งขันขึ้นมาตัวหนึ่งก็ขันกับขันกันหมดทั้งฝูงเลยนีย่นกยูงก็เหมือนกันแง่วอกแง่วอกขึ้นจุดหนึ่งแล้วก็ตัวตัวหนึ่งขึ้นจุดหนึ่งตัวหนึ่งขึ้นจุดหนึ่งก็เป็นเสียงลั่นขึ้นมาทุกภูเขา อยูแถวๆรอบๆนั้นเป็นสายทราบว่าโอ้โหนกเหล่านี้มีไม่น้อยมีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกภูเขาแถวนั้นนี่ก็เป็นเครื่องลื่นเลงอันหนึงกลางคืนเดินโยกมอยู่เหมือนกันมีสัตว์มันเดินกุกกุกปิ๊กปมาพวกหมูพวกแก้งอมาก็เป็นเครื่องลื่นเลงอันหนึ่งลื่นเลงอันหนึ่งมันไม่มีอะไรที่จะมาก่อขวานให้เกิดกิเลสเหมือนเสียงกงนข้ามอืเสียงที่สุดก็คือมนุษย์ดาเนี่ย มันภัยมันกระเตมอยู่ที่นี่แต่เราไม่ตาหนิเขาว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขามาเป็นข้าศึกต่อเราแต่มันเป็นความสําคัญของใจเราเองไปเกี่ยวไปเกาะแล้วเอาฟืนเอาไฟเข้ามาถาัเผาตนเองเมื่อจะเปืืองแล้วก็ต้องตาหนิกันเพื่อจะเปืืองนี่เพราะนนั้จริงไม่มีเสียงอันใดที่เป็นภัยยิ่งกว่าเสียงมนุษย์เรื่องอะไรที่จะเป็นภัยกว่าเรื่องมนุษย์ไม่มีเรื่องมนุษย์นี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากที่สุดเพราะฉะนั้นจริงต้องได้ปลีกออกจาก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 เป็นภัยจากใครถ้ามันเป็นภัยจากมนุษย์พระมาจากไหนไมันมาจากมนุษย์ทาเลาะเบาแวงกันก็มีเกิดอธิกงอธิกรกั น, กนยุ่งเหยิงมุนวายนี่ก็เป็นเรื่องของพระนั่นเรื่องของพระก็คือเรื่องของคนเนี่ยเรายกตัวอย่างให้เห็นอย่างนี้ยห็นไปอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็ น, น, น, นใช่ความพินิจพิจารณาให้ละเอียดละออโดยถือหลักธรรมเป็นบรรทัดเป็นทางก้าวเดิน หลักทำหลักวินัยก้าวไปตามนั้นก้าวไปตามนั้นแล้วก็มีครูมีอาจารย์คอยแนะนําทางด้านสมาธิทางด้านปัญญาล้วก็ก้าวเดินไปยิ่งมีความเรื่องเดิมบันเทิงจิตใจมันพองใสนี่ไม่ต้องพูดแหละถ้าลงได้มีจิตมีเป็นสมาธิแล้วพองใสจนอัศจรรย์บางทีเป็นนะมันเป็นขึ้นในใจนั่นแหละโอ้โหใจนี่ไม่นึกไม่คาดไม่ฝันว่าจะอัศจรรย์ขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้เทียวหรือนะดูสิ ในกายของเราทั้งกายนี่น่ะต่ก่อนมันก็เหมือนกับมันหนามันแน่นมันมืดมันตื้อไปหมดในร่างกายนี่จิตของเราไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่เวลาจิตใจมันมีความสว่างเต็มตัวของมันแล้วมันสว่างจ้าออมาได้หมดเลยร่างกายนี่เป็นเหมือนกับอะไรพอเป็นเงเงาเหมือนกับแกว้วครอบตะเกียงนั่นแหละําแสงไฟที่อยู่ในนะตะเกียงนั้นอ่ะมันสว่างจ้าออมาทะลุแกว้วครอบออกมาได้หมด นี่ก็เหมือนกนารใจเมื่อถึงขั้นสว่างแล้วทะลุออกมาได้หมดเลยร่างกายของเรานี่เป็นเพียงเงาเงาเท่านั้นมองดูภูเขาทั้งลูกก็เป็นพอเงาเงาแนดินทั้งแผ่นมันก็เหมือนกันเมื่อถึงขั้นที่มันสว่างกระจ่างแจ้งแล้วมันทะลุไปได้หมดนั่นที่จริงว่าเพียงตัวเท่าหนูเนี่ยมันก็มันก็เห็นได้พูดได้นี่จะให้นํามาพูดได้ยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้ติตะกอนมันไม่เคยเป็นนี่เวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปมันเห็นเข้าไปเป็นเข้าไปอย่างนี้จะม่ให้พูดได้ยังไง ทำเป็นของจริงทำไมพูดไม่ได้เห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้ต้องบอกว่ารู้เวลามันมืดตื้อก็บอกว่ามืดตื้อในจิต ด, ดวงเดียวกันนี่นะหละดูสิเป็นยังไงพระญาณจริงอยากให้ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัตินี่ได้ปฏิบัติ ด, ดูมันจะเป็นยังไงทำผู้ที่เจ้านะ่ะเคยหลอกโลกมาแล้วเหรือไม่เคยหลอกโลกมามีแต่ทําของจริงนี้สอนโลกหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกมา ม, มากขนาดไหนนาะขี่กับขี่กันแล้วแล้วทำไมมันจึงไม่ถึงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติซึ่งควรจะรู้จะเห็น ด้วยความสนแจตจตนโดยแท้มันอยากให้รั้วเห็นนี่นะให้พากันตั้งสึกตั้งใจอย่าลืมแนวทางพระอวัชคําำองสองพระเจ้านั่นแ่ะให้ให้ใหเร็งให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นนิสัยของกิเลสที่มันจะออกก่อนออกก่อนออกก่อนออกหน้าแซงหน้าแสงหลังก่อนนันมาเป็นเครื่องดาเนินมันจะเหลวไหลไปทั้งเพลนั่นแ่ะ ยังไงก็าตามให้ได้เลงเหตุเลงผลเลงอัดเลงทมเพื่อการดำเนินนิงตุนตอยู่โดยสม่ำเสมอทุกเอียบทเนี่เป็นความถูกต้องนียามอะไรการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอนยติเพื่อนคบ